นางถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าให้เด็กเหยียบกิ่งไม้นี้หรือพระสารีบุตรตอบว่าใช่แล้วเราให้เหยียบย่ำเองนางคุณทนเกสาเมื่อเป็นอย่างนั้นดิฉันกับพระคุณเจ้ามาโตวาทะกันนะพระเถระได้สิน้องนางนางกุณทนเกสาใครจะถามใครจะก่าวแก้เจ้าข่า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 ไม่เป็นหนี้ท่านอุบาสกผู้ใดถวายจีวรแก่ข้าพเจ้าพัทาผู้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทุกอย่างแล้วท่านอุบาสกผู้นั้นประสบบุญอันมากหนอ